ทำได้ถ้าทําได้มันก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตาแต่ว่าในขณะที่จิตฟุ้งซ่านนะในขณะที่ความฟุ้งร้างปรากฏนะจิตไม่พุ้งสร้างจิตสัตว์แต่รู้ความฟุ้งสร้างในขณะที่สงบอยู่จิตไม่เพลิดเพลินจิตสัตว์แต่รู้ความสงบอยู่จิตใจโดยที่เป็นกลางอยู่ด้วยปัญญา เขาเห็นธรรมสิเขาเห็นธรรมอย่างนี้เป็นธรรมว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ไดับไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราที่จะบังคับได้เนี่ยเห็นธรรมเห็นอยนี้แล้วพอเห็นมากเข้ามากเข้าจนจบหลักสูตรเนี่ยกานจะจบหลักสูตรนี่เศรษราีศักดิ์จริงๆเห็นจำแจ้งเลยว่า สภาวะธรรมหรือสภาวะทุกขรูปนามเนี่ยเขามีเหตุมีปัจจัยของเขากรุงแต่งอยู่อย่างนั้นแหละถ้าใจมีวางทยานอยากเขาไปแกล้แต่งเมื่อไรจะเกิดทุกข์อีกชนิดหนึ่งขึ้นมาทุกข์ที่เกิดจากอุปาทานเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สภาวะทุกขถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเนี่ยจะดับปัญหาดับตัวสมุทัเพะตัวสมุทยดับเนี่ยทุกขสัจะดับ ทุกที่เกิดจะมีปาทานจะดับวันละตัวแบบสภาวะทุกข์นะตัวรูปนามก็เป็นทุกข์ในตัวของมันอยู่อย่างนั้นแหละได้ดูอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะดูอะไรเพื่ออะไรก็ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ดูตามตามงินไปเราดูกายก็เพื่อความมีสติสัมปชัญญะที่จะรู้สภาวะธรรมทั้งหมดตามความเป็นจริง โดยจิตก็เพื่อความมีสติสำหรับเชิญญาที่จะได้เห็นสภาวะธรรมทั้งหมดตามความเป็นจริงสภาวะธรรมทั้งหมดคืออะไ ร, ร, ร, รพลกเห็นคือลดบสภาวะธรรมมาลงนนเอนี่ทําไมบางคนต้องกายบางคนต้องจิตนะเราไม่ได้ฝึกตามยถากรรมนะว่าเอาละอาจารย์ที่เรานับถือนี่ท่านเดินกายเราก็ต้องทํากายหรืออาจารย์ที่เรานับถือเดินจิตเราก็ไปทําจิตนี่เรียกว่าฝุดตามอาจารย์ จรินิสัยไม่ตรงกับอาจารย์ก็ลําบากนะหรืออาจารย์ส่วนมากท่านก็จะสอนท่านเดินมาทางไหนท่านก็สอนแนวนั้นท่านไม่ได้ดูว่าลูกศิษย์อหมาะจริตนิสัยยังไงจริตนิสัยสําหรับการทรราําสมถะมันมีหกอันบางคำทีวิมุติมัชมีสิบสี่อันกาวิสุตธิมัชมีหกอันอันนั้นทรราําสมถะราคะจริตเนี่ย พิจารณาอาสุภะอนไรง้นั้นทำสมถะส่วนจริตเพื่อการทำวิปัสสนามีสงจริตเรียกว่าตัณหาจริตทิฏฐิจริตถ้าเราเป็นพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบายไม่ชอบจิตมากนะเหมาะกับการรู้กายและเวทนาพวกชอบคิดอย่าไปดูกายเลยไม่ได้เรื่องนะพวกชอบคิดชอบพิบจารณาพวกนี้เหมาะกับจิตและธรรม นี่ก็มีเงื่อนไขอีกจะรู้กายได้ผลดีกายนี่เหมาะกับสมถะญาณิไปทำความสงบให้เต็มที่ก่อนแล้วมารู้กายถึงจะรู้ได้สบายๆจะรู้โดยไม่เข้าไปแทรกแทงไม่ถลําว่องรู้ไหมรู้ทันนะไม่ใช่ถลําไปรู้ไปเรื่อยรู้สภาวะที่กำลังกากดทีละขณะทีละขณะ อย่าไปเส่นอย่างนั้นนี่สลับลงอีกแล้วสลับลกไม่รู้ไหวยัไงไม่มา <c oughs> เหมือน <c oughs> มายืนอยู่บนปากเขียวอย่าเดิโดดลงเหงือไปแล้วหลังจากที่คอยเวลาที่เราทำสิ่งใดไม่ทำนะเราให้มันกินอยู่แล้ว ร, รู้อีก <c oughs> ทำไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> รนะืเนะป็นชีวิปัจจุบีิตขณะนะฝึกเอาปัจจุบันนะรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏปัจจุบันชีลนะักษณะชีนะงลักษณะเขารู้ไป ไม่สัญญะอยู่เนี่ยแล้วมันเกิดปัญญาอยู่สามขั้นตออขั้นที่หนึ่งจะรู้ว่าสภาวะอะไรปรากฏอยู่เช่นโทสะปรากฏอยู่เราเรีรู้ว่าโทสะปรากฏอยู่รูปนั่งปรากฏอยู่รู้ว่ารูปนั่งปรากฏนะรูปพองๆปรากฏรู้ว่ารูปพองปรากฏจะรู้ตัวสภาวะนี่เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งถ้ารู้โดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซง แต่ถามว่ารู้ขณะจิตเดียวจะเห็นไตรลักษณ์ไหมไม่เห็นไตรลักษณนะ์เพราะฉะนั้นการทํำวิปัสสนาเนี่ยต้องอาศัยการทําซ้าๆอย่างเราเห็นรูปปรมัตตากระทบรูปครับตาเห็นรูปหนึ่งขณะจิตจะไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปเพราะยังไม่ได้แสดงให้ดูแต่ถ้าเห็นซ้ำๆๆเนี่ยสัญญาพัานุ์ที่สองมันจะเกิดจะเห็นว่า มันเปลี่ยนไปเรๆเพราะฉะนั้นในขั้นที่เดินนิปสสนาเนี่ยภาษารีบุตร่า้นหนึสอนบอกว่าถ้าไปอยู่ในฌานซึ่งไม่มีสัญญาทำสสนิพพานไม่ได้ถัองอาศัยสัญญาติดเครื่องช่วยรเราจะรู้ว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่คิดนะต้องเห็นสภาวะที่เปลี่ยนไปจริงๆอย่างเรานั่งเมื่อยใช่ไหม ดูความเมื่อยของที่ไหมลนะ่ะดูสิเดี่ยวแรงเดี่ยวเบาเดี่ยแรงเดียวเบา เ, เ, เบานะี่แสดงใจรักแล้วเนี่ยที่ถามว่าอนั่งรู้สึกตัวไปจริงๆอ่ะแตามาไม่ได้สอนดูจิตนะมาสอนให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วสติเราจะรู้ระลึกรู้รูปห ร, ร, ร, รู้นาเนะหรือระลึกอะไรก็ได้ขอให้รู้แล้วไม่ถล่มลงไปให้รู้สึกตัวไป เราจะเห็นใจรักทันทีแต่ถ้าเราไปนั่งเจ้าเผลอเผลอไปนะทื่อๆความรู้สึกค่อยๆหมดไปหมดไปก็ไม่เห็นอะไรหรอกนีไปคิดแว บ, บหนึ่งรู้ไหมอย่างนี้ท่นใจรักก็คือไอ้อาการที่ขึ้นลงของใจรักก็คือลักษณะทั่วๆไปนะของกับภาวะธรรมที่เป็นสังขาร รูปกับนามเนี่ยมีลักษณะทั่วท่วไปเป็นใจรักณเพราะฉะนั้นถึงเราไม่เจตนาจะดูใจรักษณถ้าเราไปเห็นตัวรูปตัวนามถูกต้องต้องเห็นใจรักไม่ต้องเจตนาจะเห็นก็ต้องเห็นอย่างที่ส า, <IF> า, สาก็คือพอเห็นมันเป็นใจรักณ์เราจะรู้เลยว่าเป็นไตรักก็ไม่ได้เป็นตามนาสสกรรมนะสภาพธรรมทั้งหลายมีเหตุก็เกิดมูดเหตุมันก็ดับไป แต่ควนไปตามเด็กตัดใจไม่ใช่ตัวเรานะเช่นสมมุติว่าฝึกมากๆเข้าเราจะเกิดสภาวะสองอย่างขนาดจิตไม่เผลอไปขนาจิตนี้รู้สึกตัวนะเผลอแล้วไปทําอะไรได้เยอะแยะเลยไปทำบูรสนก็ได้เอาบูรสนก็ได้ไปนั่งเก้งก็ได้นั่งคิดก็ได้สารพัดนะไปดูรูปเสียงกิงนรถกดสะพะธรรมอารมณ์อะไรก็ได้ทั้งหมดนะภาวะอันหนึ่งเผล อ, อันหนึ่งรู้สึกตัวรู้ทันว่าเกิดนะสองอันนี้เกิดดับเกิดดับเกิด ด, ดับอยู่ เราไม่ได้บังคับอยากจะไม่เผลอมันก็เผลออยากจะรู้สึกตัวที่มันก็เหลอมันไม่รู้สึกกลัวไม่ได้จงใจจะรู้สึกกลัวมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาเรื่อมันจะเห็นสภาวะว่าจริงๆแล้วบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัใ จ, จัยไม่ใช่สิ่งที่บังคับได้พอเราเข้าใจตรงนี้ปัญญาตัวที่สามมันเกิดมันละความเห็นผิดละความเห็นผิด งั้นที่ฝึกแทบตายไม่ได้ฝึกอย่างอื่นนะไม่ใช่ฝึกเพื่อละอัตตาตัวตนนะฝึกเพื่อล่าควนนะามเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนเขราอัตตาตัวตนไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกแนละ้วไม่ใช่ว่าตอนนี้มีอัตตาตัวตนมาเจริญนิพพสนาไปช่วงหนึ่งแล้วละอัตตาตัวตนได้ไม่ใช่มันไม่มี เพราะงั้นตัวเนื้อแท้ของพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วก็คือตัวสัมมาทิจิตนีน่การเห็นสภาวธรรมทั้งหลายตามที่มันเป็นเขารู้ว่าจริงๆแล้วไม่มีตัวเราสนหน่อยความยึดถือก็คลายลงคลายลงลยไหมหลงเนี่ยสังเกตไหมว่าเวลาหลงไปแล้วมันมัวมัวไปมันเหมือนเราฝันไปนะ เมือเราฝันไปไม่ได้อยู่ในโลกของความเส่งเลยไปอยู่ในโลกของความฝันอยากหนีไปฝันเลยก็อีจกมเกลยอ้าวมันเป็นทักษะทักษนะเหมือนอย่างครูเนี่ยถ้าเป็นครูที่เชี่ยวชาญ น, นยอย่างคุณแม่ขยาว ท่านเห็นหน้าเด็กเนี่ยท่านก็รู้แล้วไอ้คนไหนสอนง่ายคนไหนสอนยากคนไหนหัวดื้อเิ่งเปยนทักษะของครูอย่าคิดอะไรให้มันลึกลับแบบถ้ามว่าเราเราลึกในสิ่งที่เราเคยทำทั่วมากนเนี่ยดิตเราดิบเราก็เปน็นอัดึงส่ว น, นอเองแล้วไม่ควรอึกแล้วถ้าเราเร า, เร า, เ, ราเราลึก ในสิ่งที่ชั่วแล้วเราเราเราเรลึกว่าเราลึมันจะเป็นอย่างนี่เป็นสัญญาขึ้นมาในขณะนั้นรู้ถัและการระลึกเรื่องเก่าๆนันจะดักไปเดี๋ยวไปเสพตัวเก่าๆซ้ำๆนะเยีายบางคนเชื่อดไก่ตัวเดียวเลยคิดทุกวันเลยนะถ่าไปเชือดไก่ทุกวันนะขัดทุนนะอะแต่ว่าทำความดี เกิดนะมาชาติเนี้ยเคยใส่บาตรทั้งเดียวนึกทุกวันเอาอย่างนั้นนะเราเราเร า, ารเราลึกที่ชั่วตรงเราเราแก้ได้หรืออะไรครับแก้ไม่ได้เพราะว่าจิตที่จะระลึกนี่ก็ห้ามไม่ได้ <c oughs> นะแต่ว่าพอระลึกแล้วเนี่ยรีบมีสติรูท้ทันเหมือนอย่างสังเกตเลยตอนที่มันระลึกนี่มันเติบไปมันเติบ ไ, ไปคิดนั่นแหละรูร้ทันว่ามันคิดมันก็ขาดแล้วกุศลมันก็เกิดแล้วมันก็ยังเกิดอีก กิอีกก็รา ล, ะ ล, ะลึกอีกนะในขณะที่คิดถึงกรรมชั่วเก่าๆเนี่ยจิตเป็นอกุศลในขณะที่เราลึกรู้ทันเนี่ยเกิด อ, อ, อกุศลเกิดกุศลจิตใช่ไหมตอนนี้กุศลที่เกิดจากการระลึกรู้เนี่ยเป็นอกุศลใหญ่เป็นบุญใหญ่เป็นบุญอันใหญ่กว่างั้นเราระลึกไปเรื่ยนึกถึงบาปแล้วก็รู้ตัวนึกถึงบาปแ ล, ล้วรู้ตัวอกุศลยิ่งตามเราไม่ทันเนะพราะการเจริญสติมันเป็นบุญใหญ่ ถ้าถ้าถ้าเก็บนแม่จะไปหลับลึกเราก็ไม่ห้าเราก็คอยไม่ห้ามรู้ทันห้ามไม่ได้ห้ามแล้วจะเก็บกดนอกจากไมนเก็บกดไม่เก็บกดชาวพุทธไม่ใช่นักเก็บกดก็ต้องปล่อยให้เขาหลับลึกไม่ไว่ไม่ใช่ปล่อยให้เขาหลับลึก แต่ถิ่นเขาเจะระลึกรู้ทันว่าเขาหลาลึกขนาดนั้นที่รู้ลแล้วน่ะเกิดกุศนแล้วก็จะเกิอดอักุศนไม่เป็นไรครับอักุศลแค่นี้นอุศนเป็นแค่นี้นะ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ถ้ามาันะจรลึกวิชญาเจรลึกระลึกไม่ดีมิโทสารนะเห็นไหมได้อกุศลไปอีกตัวนะถ้าถ้าแทนที่เราจะทําแล้วเราเองแผ่เมตตาหรว่นั่นวิจิแยก ยี่สิหลอกตัวเองผ่อนคลายตัวเองนะเป็นยี่สหสมถ tha ทำแล้วสบายใจต้องแยกกันนะว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรแตาว่าเราเือกที่จะบุญจะว่ามันใหญ่กว่ากันญ่กว่านะเพราะมันเป็นบุญของการเจริญปัญญาจับหลักไว้เลยถ้าบุญใดที่ประกอบด้วยสติปัญญานะอันนั้นเป็นบุญใหญ่บุญไหนที่ไม่มีสติปัญญานะเป็นบุญเล็กๆ เออใช่ท่านสมมติว่าโกรธใครมากสักคนหนึ่งอยากข้ามันเต็มทีแล้วนะห้ามไม่อยู่แล้วโกรธเดือดร้างเลยมาพุทโธพุทโธก็ไม่หายแผ่เมตตาก็ไม่หายะรวิ่งหนีไปที่อยู่ซะนะต้องใช้สติปัญญาเอาตัวรอดไว้ก่อนเหมือนอย่างกรุงบาอาจารย์นะทาป่าบางองค์ภาวนาไปเจอสาวเขาช็อกเลย ภาวนามาแต่เด็กๆไม่เคยเจอสาวมาเจอสา ว, สาวลงรักนะภาวนายัางไงก็ไม่หายนะท่านก็ใช้มาตรการเด็ดขาดเลยคว้ากดฟว้าบาดหนนะีมีงหนึ่งหนีไปแล้วไอ่สาวแั้นมันก็ไปอีกอันนี้ดีหมู่บ้านนั้มันตามไปนะโลยไม่ได้ตั้งใจเนดศึกไปเลยห <c oughs> นีนกลรมไม่ได้เนะ การระึรู้เนี่ยเราต้องนั่งสมาธิมวมกันอไม่ต้องแล้วเมื่อถ้าถ้าจะถึงข่านนี้มาถึก็ <c oughs> สมาธิสมาธิเนี่ยต้องมีตลอดเดวลานะไม่ใช่สมาธิมีตอนนั้นสมาธิที่ใช้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยหรือกเจริญวิปัสนาเนี่ยเป็นแค่ทันติกะสมาธิคือขณะสมาธิทีละขณะจิตเดียว จิตที่ตั้งมั่นทีละขณะขณะพอจิตตั้งมั่นปุ๊บความรู้ตัวเกิดปั๊บปัญญากเกิดแล้วเกิดทีลักษณะพระเจ้าจอาตมาถึงสอนบอกว่าถ้าเรารู้ทันจิตนที่มันหลงไปทางตาหูจมูกนิ้วไก่ใจพอหลงปุ๊บรู้หล ง, ลงปุ๊บรูบ้เนี่ยขณะที่รู้ว่าหลงไปเนี่ยรู้ว่าไม่ตั้งมั่นความตั้งมั่นจะเกิดเกิดอัตโนมัติทีละขณะทีลักษณะพอความจิตใจตั้งมั่นเกิดขึ้นมาเนี่ย ปัญญามันปัญญามันจะเกิดก็จะเห็นแต่ว่าสภาวะธรรทั้งหลายไหลมาแล้วก็ไหลไปไม่มีตัวมีตนอะไรแล้วมันไปยิบผ่านของมันเองนะเวลาคนบรรลุมักผล น, นี้ไม่ได้นั่งบรรลุกันคนมีนะั้นเขาขวาดวัดอยู่บรรลุ ก, ก็มีนละ้วในพัะไตรปิฎกนี้ <S <S บางท่านปักน้ําอยู่บางท่านลดต้นไม้ก็มี น้ำลดลงไปแล้วน้ําก็ไหลไป็หน่อยหนึ่งลดอีกนะไหลมากขึ้นยาวขึ้นรถทั้งที่สามไหลไกลๆแล้วพายแแห่โอ้ยจะเกิดจะดับนำบรรลุไปแล้วไม่ใช่ว่าเะเห็นน้ําอย่างนี้เดี๋ยวนีวว้ฉันวางตะ บ, บวยก่อนนะหรฉันจะได้บรรลุอย่างนี้หรอกนะอย่าไม่เข้าใจการปฏิบัติเป็นอย่างเนี้ยตถ้าจะบรรลุได้ก็ต้องมีจิตใจที่ละเอียด ถ้านั่งดูหนังก็งเาเากำหนดว่าหนัมันเกิดดับเกิ ด, ดับกับคือถ้าไปกําหนดแค่หนักเกิดดับไม่พอแล้วนะนะถ้ากําหนด ก, กิเลสรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดดับนะนั่นยังมีโอกาสดูที่ตาดูที่ตาที่ตาไม่มีกุศลและอกุศลเลยที่การเห็นนะครับที่การเห็นในกระชั้นเห็นเกิดดับได้เหมือนกันแต่จะเห็นจริงอย่างนั้นไหม จะเห็นรูปแต่ละรูปเกิดดับจริงไหมไม่จริงอีกนะแต่ก็ดูหนังแลนะอุย้ยนังเอกสวยชอบรู้ไหมชอบอะไอย่างเงี้ยพอดูไดนะ้คุณสามารถเห็นรูปธรรมะกับบัญญัติแยกกันไหมดูออกไหมแยกกันไหมไม่แยกไหมแล้วเมื่อกี้เพ่งด้วยยิ่งไม่แยกอย่างนะจริงๆมันก็มีวิธีซ้อมนะหลับตา หันไปในทิศทางที่นึกไม่ถึงแล้วนึ่งตาขึ้มนมาขณะแรกที่เห็นนะลองดูสิเห็นเก็งไหมก่อนที่มันจะแปลตอนที่มันจะบัญจัดขึ้มนมาว่าเป็นรูปอะไรนะเราเห็นรูปเห็นรูปปรากฏอยู่เป็นไงซ้อมสนุกไหม ต้องต้องไปดูมุมที่นึกไม่ถึงนะถ้าแม้หันมาตรงนี้จำกระป๋องนี่ได้ลืมตาเห็นกระป๋องก็จำได้แนละ้ว <c oughs> ไม่งั้นมันจะมีดีเลยไทม์อยู่นิดนึงถ <c oughs> ิงจังหวัดอยู่นิดแล้วฟังฟงคนที่บรรลุอรหันได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านสามสติ๊ก่อนหน้านั้นเป็ดาไม่รู้สีนะไม่เห็นมีใครมาเล่าให้ฟังเลย ในคำพีก็ไม่ได้พูดถึงท่าอนกับรรลุพระโสดาภณัติก่อนฟนะังธรรมจักแล้วบรรลุพระโสดาสนะแล้วก็ไปฟังอนัตตลัคนา ส, สูตรบรรลุพระอรหันต์ในในชักตามคำพีเราก็บอกว่าต้องบรรลุที่เหลือนะ่ะตามครั้งต่อกัน อันนี้คำพี่ชั้นหลังนะพระแตรปิดกไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ย่างพระภาหียะนะ ฟ, ฟังพระพุทธเจ้สอนหนะ้าฟังนะบอกว่าดูก่อนพาหียะในการใดแลเมื่อท่านเห็นจะเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจะเป็นสังว่าฟังเมื่อทราบจะเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจะเป็นสักว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีในการใดที่ท่านไม่มีนั่นแนหะที่สุดแห่งทุก เห็นไหมท่านไม่มีทำไมท่านถึงไม่มีเพราะท่านศัพท์แต่ละด้กรู้แต่ในการใดที่ท่านกำหนดรู้นะท่านมีแหละท่านจะเกิดผู้กกำหนดขึ้นมาเห็นไหมหรยวิกแล้วมาจากไหนการอะไรเนย มากไปจะคุยอะไรไหม <c oughs> ไม่ปล่อยให้ผู้ชายเขาพูดข้างเดียวอ่าเชิญอืมในขณะที่หลับไปบิจเจรือนได้ยังไงหลับก็ฝันสิ ตื่นก็ฝันอีกเชื่อไหม ว, <น>ว่าตื่นก็ฝันเพรไม่ตื่นจริง <W ars> เวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราตื่นแต่ตัวใจเรานั่งฝันเนียฝันกลางวันใจหลงไปในโลกของความคิดทํำยังไงจะตื่นทั้งตัวตื่นทั้งใจตื่นให้ได้นะอย่าฝันนะรู้ไหม <W ars> รู้ให้ทันสิกจะได้ตื่น อ๋อเราดูรู้ให้ทันเนี่ยอย่างขนาดเนี่ยฝันรู้ไหมขนะนี้คิดแล้วรู้ไหมไปจ้อง น, อนั่นอ่ะรู้เปล่านะเนี่ยฝันทั้งทั้งนี้นอย่างนี้เรื่ละเมอไปคิดคิ ด, คดแล้วก็ทาํามันนู้นทํานี้เรื่อละเมอ้ท็ทําไปตอนฝันอนะนู่หนีไปอีกแล้ว ิจรโอ้ยแล้วไปทําทอะไรได้แล้วตื่นยังฝันเลยแล้วหลับก็ฝันนะก็เรื่องธรรมดาจะภาวนาเข้ายันค่อยพัฒนาถึงขันขั้น <Yeah. S 2> เมื่อต้นเลยก็จะไม่ฝันร้ายเพั้นไม่มีโอกาสไปอาบายฝึกไปเรื่อยก็จะเห็นว่าไม่มีความฝันหรอกมีแต่ความคิดความฝันก็คือความคิดตอนที่ร่างกายนอนหลับ ส่วนความคิดนะั่นก็คือความฝันตอนที่ตื่นเราจะเประลึกรู้ได้อโอ้โหัดตอนตื่นเนี่ยสตินะมิ้กก็ไปหัดในฝันเขานะตอนตื่นยังหัดยากเลเวลาจะนอนอ่ะนะมีหน้าที่นอนนอนให้หลับสนิทไม่ใช่เอาเวลานอนไปนั่งปฏิบัติเวลามาปฏิบัติเพราะมันั่งหลับอย่างเี้ อาจารย์มัมีแีวิตวัดไมครับว่าความก้าวหน้าในการันครับมีว่าตัวตัวตัวที่ง่ายงที่สุดเลยนะถ้าตัวยากยากก็มีที่พระพุทธเจ้าสอนตระนางควรจะมียากยากไปอ่านเอองนะเช่นเป็นต้นว่าจิตใจของเราเนี่ยรู้จักมากน้อยสันโดษมากขึ้นไหมชอบลุกรีไหมหลงกักิเลสตัณหามากไหม แต่เครื่องวัดง่ายๆสําหรับนักปฏิบัติน่ะง่ายที่สุดเลยก็คือความเผลอของเราเนี้ยสั้นลงไหมถ้าเผลอยาวนะตื่นขึ้นมาเผลอตั้งแต่เช้ากันเย็นเลยเผลอมาหลักครั้งอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยต่อมาเราหัดเจริญสติเนี่ยเผลออีกแล้วเจริญสติเหลอแวบรู้แวบรู้โอยอย่างนี้เก่งดูอย่างนี้ก็ง่ายๆเนี่ยขณะนี้เผลอนะ จงใจทํามันรู้ไหมจิตใจมันไม่เหมือนตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติดูออกไห ม, ม, ม, มตรงนี้ผมเลิกคนลำบากใจว่าที่จะวางตรงไหนเนี่ยหาที่วางามะนยากอยางนี้นยากมากเลยเพราะอาตมาก็ยังทําไม่ได้หลวกูด่ดูท่านสอนวจิตไม่มีที่ตัง้งนะไม่รู้จะไปวางที่ไหน บางคนจะไปวางตัวนั้นวางตนนั่นไม่กำหนดเพรามายคือไม่เผลอกับไม่เพ่งเี่ยมันตรงไหนไม่มีในขณะใดที่ไม่เผลอขณะนั้นก็รู้สึกตัวหรือเผลอแล้วรู้ว่าเผลอขณะนั้นรู้สึกตัวถูกต้องแล้วขณะนี้เพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งขณะนั้นรู้ถูกต้องแล้วะ เ, เ, เมื่ี้เนี่ยยังไม่รู้เลยเพ่งถ้าไม่รู้ว่าเพ่งก็ช่วยไม่ได้แล้วไม่เห็นสภาวะที่กําลังปรากฏนะก็หลงเพง่งกลายเป็นหลงเพง่งก็เพ่งไปยาวนะหน้าที่ก็คือหัดรู้สภาวะธรรมที่มันกําลังเป็นอยู่เช่นเรากําลังนั่งเพง่งแต่ฉเฉลียวใจว่าต้องเพ่งเนี่ยนะขณะจิตที่ฉเฉลียวใจรู้ทันสภาวะธรรมถูกต้องขณะจิตนั้นถูกต้องแนละ้ว ถ้าดแตงนั้นจะเริ่มเผลอครั้งใหม่อีกแล้วเขาจะเกิดดับเกิดดับทียิบเลยไม่ได้ไม่ได้นะเลือกไม่ได้นะอย่างเราไม่ต้องอะไรมากอย่างเสียงที่มาเข้าหูเราเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเสียงที่อาตมาพูดใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยมีสาราพัดเสียงเนี่ยเสียงนกกระจอร้องไม่มีใครได้ยิน เราเลือกไม่ได้ด้วยซ้ำไปถ้า แ, แค่ทางหูอันเดียวเนี่ยเรายังจิตมันเลือกฟังบางอย่างมันเลือกทิ้งหลายลายอย่างไม่ใช่เราไปจงใจเลือกได้จิตเขาเลือกเขาเองไม่ใช่เราเลือกนะไม่เอาต่อไปนี้จะฟังเคาะเสียงนกกระจอกให้เห็นเสียงนกกระจอกเกืดดับฟังนกทำเอมไม่ร้อง ะอะไรนะห ม, ม, ม, มาไม่ค่อยมีถ้าถ้าสมมติมันรู้ว่าได้ยินเสียเจ้านายมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลงนะจิตใจเนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกตัวสัตว์พวกนั้นจะจิตจะมีความคุ้งร้างเป็นพื้นฐานบุทัดจะเป็นพื้นฐานโอกาสที่จะเกิดสตินั้นมีน้อย สิ่เรีนแม่สัตว์ทั้งหลายเวลาอยู่เฉยเฉยเฉมือ่ออย่างหมาแมวทั้งหลายเวลามันอยู่ตัวเดียวนะไม่มีใครจะนั่งมือนั่งใจลอยนั่นเป็นพื้นเดิมของเขาโอกาสที่เขาจะเกิดสปีดท้่ลําบากแต่มีได้ไหมมีได้มีได้ที่เขาเคยฝึกมาก่อนแล้วพลาดไปเป็นหมาเคยมีเมืนกัเคยเห็นมา การระลึกรู้เนี่ยคือการระลึกรู้เนี่ยต้องมีปัญญาประกอบมากสัตว์แนวใบยภูนทําไม่ไหวหรอกสัตว์แนวใบยภูนมันทําได้แค่ทําบุญๆๆๆๆอย่างอาตมากเคยเลี้ยงหมาตัวหนึ่งใจดีมันเห็นลูกแมวหลงมานะมันก็เอาเข้าไปให้กินให้กินข้าวของมันแหละ <ๆ S 2> ๆๆมันมีลูกอยู่ตัวหนึ่งลูกหมาหลงมามันก็ให้กินลง แลรู้จักทําทานด้วหมาตัวนี้ถือศีลไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่รังแกสัตว์ถูกแมวตกหน้าเดินหนีแมวจะมาแย่งข้าวมันกินเดื่อนี้รู้จักให้ทานมีศีลข้อที่หนึ่งด้วยไม่ฆ่าสัตว์ไม่เคยขโมยไม่มีศีลข้อที่สองส่วนประพฤติในกาตอบไม่ได้นะเขาไม่เคยรู้มันเราไม่ได้เป็นั่งเฝ้ามันทั้งวันหม้าตัวนี้ไม่มีมุสาว่าดไม่เห่าอะไรส่งเดช ไม่พูดเพ้อเจไม่พูดอสออเสียดหมาตัวนี้ไม่กินเหล้ามัน <c oughs> นี้นมีศีลดลายตัว <c oughs> แต่ว่าเขาไม่ถือว่าเป็นศีลแท้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้เจตนางุนเม้นแต่ว่าพื้นฐานเดิมของมันอะมันดี <c oughs> ไม่ใช่หาธรรมามบอก พระุทธเจ้าบอกเวลาเทวดาจะจุติเนี่ยพวกเพื่อนจะมาปลอบบอกว่าขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะตั้งใจไว้จะเกิดเป็นมนุษย์ซนะเขาตั้งใจกันอย่างนี้พวกเราเวลาจะตายก็นึกถึงสวรรค์ไว้นะนะรวมความแล้วก็คือไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น แก้วดิ้นไปด้วยหาอะไรที่มันดีกว่านี้อีกเอยแล้วเหรอแมอยากพูดด้วยเวลาคนที่ปฏิบัติเนี่ยแลเกิด ก, ก, ก, การเทียงเที่ยงกับนดีหรือว่าัาก็เป็นมนันนะก็คิดว่าเราปฏิบัติาได้มากบาคนคิด่าน้อยบงนนิมันมันเป็นกิเลสเพิ่มมากก็เป็นกิเลสที่เกิดเป็นขนะชนะ กิเลสก็เก e. hey, okay. uh, uh. ิดเป็นขณะเหมือนกันกูศสก็เกิดเป็นขณะขนาดอย่างทนาดจิตนั้นไม่เทียบก็เป็นมานะมีเรามีเขาขึ้นมาแต่มาเคยเห็นไปกราบหลวงปู่สุวัตท่านมาจากอเมริกาไปกลาบโอ้จิตใจท่านสบายจังเลยดูท่านสบายไม่มีธุระอะไโอ้ดีจังเลยเมื่อไหร่ผมจะทําได้อย่างท่านเนาะเห็นเอ้ามาระ์นี่ เห็นจิตที่มีมานะเห็นไหมมานานี่ดูเหมือนผู้ดีเลยเขารบนับถือครูบาอาจารย์ดูดีดีความจริงกิเลสต้องรู้เอาไม่ละนะกิเลสอยู่ในกองขันในกองสังขารเป็นตัวทุกข์ให้รู้เอาละโลภะจตตนาตัวเดียว คิดว่าในพระไตรปิฎกในระธรรมการมันเขียนตรงตามทั้งหม ด, หมดตรงตามบังคับเขีตรงทั้งหมดหรือเปล่าอัตมาไม่ทราบนะแต่อตาตมาปฏิบัติมานีย่ยังไม่เห็นว่าตรงไหนมันจะขัดกับหลักปฏิบัติจริงๆนะในพระไตรปิฎกอืมเรื่องเล่าต่างๆอ่อย่างเรื่องเทวดาเรื่องอะไรงั้นใช่หมเห็นทุบมาเกี่ยวกับครอบครัวอ๋อ นนั้นไม่มีในพระไตรปิฎกมั้งมันอยู่ในคำพีชั้นหลังๆนะแต่งเพิ่มกันมากกว่ามั้งคือเวลาเราเรียนาศาสนาพุทธนะบางทีเราไปดูถูกฝ่ายมหายานเมื่อเขาชอบแต่งคำพีเพิ่มของเราก็แต่งเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าของเรายังดียงอย่างมันไม่ไปเพิ่มไว้ในพระไตรปิฎก เราแต่เพิ่มก็แยกออกมาเป็นคำพีต่างหากมีเยอะแยะเลยมีความยากลำบากก็คือเวลาเราฟังเนี่ยเราไม่รู้ว่าคำพีชั้นไหนอย่างเรื่องมัฏฐกุณตรีในตุ้มหูเกลี้ยงอยู่ในธรมธธรมบทอัตถกาาธรรมบทเรื่องตัดทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าอะไรปรากฏว่าเรื่องมัฏฐคุณรีไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎก เป็นเรื่องในชาดกบอกแมาาก่ตาคุณรีเจ็บหนักพ่อมอาไว้ที่ลำเบียงบ้านพระพุทธเจ้าผ่านในชายพระรัศมีให้เห็น เ, เรื่องเลื่อมใสได้เกิดเป็นสิบดาระจริงเป็นเรื่องในในชาดกก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าของเราองค์นี้ด้วยที่ไปให้เห็นที่อันตรธานจานท่านก็ไปเก็บเรื่องนั้นมาแต่งเพื่อจะอธิบายธรรมะ นี้พอเราไปเรียนเข้าไปอ่านข้าวเราก็คิดว่าเรื่องจริงไป แ, แยกไม่ออกหรืออย่างเรื่องมีเด็กคนหนึ่งอ่ะชื่ออะไรนะอายุวัฒนกูมานที่พรามทำนายว่าจะตายแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยสกพระอรหันต์ไปนั่งร้อมสวดมนต์ทำให้ยัดมา ก, กินเด็กไม่ได้ การที่พระไ ป, ป น, นั่งร้อมสวดมนต์แค่นะ้ในสมัยพุทธกาลมันยังไม่มีเป็นเรื่องที่เป็นมีในหลังกาบางทีเราเรียนก็ยุ่งเหมือนกันนะเงินเวลาสงสัยว่ามันจำเพียงชั้นเดิมไหมลงเงสังเกตดูใ น, ในพระไตรปิฎก น, นะที่ไม่มีหรอกที่มันจำเพียงชั้นหลังไม่ได้นะไปขึ้นมาไม่ได้มีเขาสขงจำยว่าไปขึ้นมาเื่อใ ถ้ารูปงจำเป็นของท่านที่แต่งนะอย่างต้องตอสู้กับฮินดูเขามีคำพะไรที่โฆษณาชวนเชื่อเก่ง น, น, นั้นเป็นเรื่องเหตุผลของคนยุคนั้นนะเราอยาอธิบายอย่าไปวิาพากษ์วิจารเลยเรามาจเจริญสติดีกวานนะ่าเนาะ เกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติอะไรนะแม่ไหนช่วยลูกเหรอขั้นแรกเลยแม่ช่วยเัวเองให้ได้เข้าใจธรรมะจิตใจเบิกบานมีความสุขให้ลูกเห็นให้ได้เลยความร่มเย็ยนเป็นสุขนี่ออกไปจับตัวเรานะให้เด็กเขาสัมผัสได้มีบางแม่นะ ไปลากเอาเด็กมาหาตัมมาท่านอาจารย์ช่วยอบลงเด็กเลวคนนี้หน่อยหนีออกจากบ้านถับไปถ้ามากแก้ที่แม่ไหนะถ้าแม่ไม่ไร้ายเขานี้ลูกก็ไม่หนีไปศา ส, สนาพุทธเราจะเริ่มแก้ที่ตัวเองก่อนท่านศาสนาพุทธ ถ้ารู้ภาพต้านทานกรรมไม่ได้ไม่มีอะไรต้านทานกรรมได้กรรมคือพฤติการกระทําคนมันจะทําอย่างนั้นนะทําไมพระพุทธเจ้าอยู่ทําไมท่านไม่ต้านทานเทวทัตไม่ให้กลิ้งหินใส่ท่านคนมันจะทําท่านท่านไม่สามารถท่านไม่ ท, ท, าม ท, าท่านท่านห้ามได้ เออไม่รู้เหมือนกันท่านไม่ได้บอกถ้ท่านห้ามได้ที <c oughs> ่เองเดี๋ยวเป็นอาตมาดาอ่ะ <c oughs> ท่านสอนนะว่าที่เราควสนใจมากๆก็คือสิ่งทั้งหลายมันเป็นเฉติเนี่ยเรียนไปตามเหตุถ้เห็นดับมันก็ดับพห้ชาวพุทธเราพยายามเรียนเรื่องนี้เลยสิ่งทั้งหลายมันมเป็นเฉติ เนี่ยกดแห่งกรรมก็เป็นเรื่องของเหตุเห็นไมความทุกข์เกิดได้หลักของอริยสัจก็เป็นเรื่องของเหตุผลอีกครับทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องลอยๆใจลอยไปรู้ไหมนะดนัดทราบไปเนี้ยทราบไปเรื่อยๆหนีไปรู้หนีไปรู้เรืนะ่อยๆหัดไม่อัดไม่ใจลอยนาน ตนะแต่อาจจะเป็นความคิตที่มีประโยชน์แต่ไม่ใช่การรู้ที่ถูกต้องถ้าการรู้ที่ถูกต้องจิตเป็นอกุศลก็รู้ว่าเป็นอกุศลจิตอยากละอกุศลรู้ว่าอยากละอกุศล น, นะอย่างนั้นนีเรียกว่ารู้แต่จิตมีโทสะนะโทสะไม่ดีอย่าไปโกรธก็เลยโกรธเท่าแล้วเราก็ทุกนี่ไม่ใช่การเจริญสตินะเป็นวิธีแก้ปัญหาทางจิตใจแก้ปมจิตทั้งหลาย นะทีวิยาเขาจะเก่งเกิดองค์การที่เราต้องต้องรู้ในใจเราเกิดองค์กาว่าได้สภาวะตัวสำคัญที่สุดคือต้องรู้ตัวสภาวะน ะ, ตตตะนะแต่มันจะบรรยายหรือไม่บรรยายห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ได้หรอกมันจะภาคไงแล้ตัวศาสตร์เกิดมันก็ภาคเนี่ยโุ้โัวศาสเ์เกิ น, น, กนละ แต่ไปช่วยมันคิดต่อโทสะไม่ดีอาไปเอาเลยนำความทุกข์มาให้เดี๋ยวตายไปตกนโลกอย่าไปโกรธก็เลย น, นี่ก็ดีเหมือนกันดีระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่การเจริญสติถ้าเจริญสติก็จะเห็นว่าโทสะเป็นนมามธรรมอันหนึ่งมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับนะโทสะนี่ยเราจะบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้บังคับไม่ได้โทสะก็ไม่ใช่จิตอีก เ ป, เป็นสิ่งแปดกปลอมเป็นอาคันตุกะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปต้อง <c urge> เฝ้ารู้อย่างนั้นในที่สุดก็เห็นแต่สภาวะธรรมที่ไหลมาไหลไปไม่มีตัวตนถ้าเราไม่เดินหนหรือว่าเราไม่คิดต่อมันก็เหมือนกับว่าเราจมสอดคล้องครงจันถึงแม้ว่าเราจะกำหนดเอระลึกรู้อยู่ว่าเราเราเรามีตัวตนแต่มันก็ยังยังติดอยู่ตรงนันไม่ติด นะเราฝึกรู้ดูแล้จะพบสภาวะสองชนิดชนิดที่หนึ่งจิตกับอารมณ์ไหลไปร่วมกันอีกชนิดหนึ่งอารมณ์อยู่ส่วนอารมณ์จิตอยู่ส่วนจิตไม่ติดกันหรอกเราหัดสังเกตไปเรื่อยเรืยเดี๋ยวมันแยกออกให้ใหดูเลยเพราะตัวกิเลสตัวอารมณ์ทั้งหลายเป็นสังขารฐานเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นอีกส่วนหนึ่งอารมณ์เป็นที่ทั้งหมดนะตั้งแต่รูปก็ได้ สิ่งที่ตาเรามองเห็นก็เรียกว่ารูปเป็นอารมณ์เหมือนกันอารมณ์ก็คือสิ่งที่ถูกรู้ objective ไม่ชอบฝันกันังนี่า็ฝันนี้ก็ฝั น, นพวกเดียวกนะันหรือเาแล้วพยายามเอาตรงตื่นเนื่อนะ อย่ขนาดจิตเนี่ยเในฝันเนี่ยมันตรงแล้วมันรู้แล้วมันคืออะไรนะรู้ลงไปขนาดนี้เลยว่าสงสัยพนะยายามฝึกเอาปัจจุบันนะเราจะได้สาระแกนสารของศาสนาพุทธในเวลาอันสั้นด้วยไม่นานนะไม่งั้นเราจะสงสัยไปเรื่อยๆเวลาเราคิดเรื่องนี้ก็เดี๋ยวสงสัยในฝันเย่างเอ๊ะชาติหน้าจะมีไหมเด็กต้องหาเรื่องสงสัยทุกวันอยบางคนมาถามว่าเชื่อโลกพิจิตไหม มันสงสัยได้เรื่อยๆถนะ้าสงสัยรู้ว่าสงสัยนะจะได้ประโยชนนะ์เอาปัจจุบันเห็แม่เผลอไปแล้วหาวกับเผลอวนละอันกันหาวแบบไม่เผลอหรือเผลอเราต้องรู้แยกกันหาวนี่เป็นเรื่องกายยังเผลออีกนะเอาทีมเชียงราย ให้กี่เชิงไหลถ้าเอ้าเลยเวลาแล้ว <mafia> ลืมไปกันอย่าไปคิดมากนะนั่งดูเอาต้องโทรมาเจ็บนะแต่ใกล้ๆแล้วไปกดเองบางวันนันไม่สบายว่าอยากรับแผกเลย จะปิดปัด <Safe> ก <The difficulty> ็เดี๋ยวโยมปลกมาไม่บอกเรื่องหน้าเนี่ยเวลาจะมานะโงมแบบเช็กถามถามโยมว่าไหนก็ดีนะพอแล้วนะสองคนที่ปลูกขาดตามต้องํำคนน่ะไม่ให้พอนะพนไปทำเอาเองไม่ใช่เรื่องหลอกๆกัน